ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟังเอ3พแผ่นที่112โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่112ให้คติธรรมว่าสาธุตัดสัตว์ัทสนังการไม่ครบ เห็นคนผ่านเป็นการดีอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแต่การไม่พบไม่เห็นภาลชนคือคนไม่ดีนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดคือเกิดมาในภพใดชาติใดได้เห็นแต่พระพุทธเจ้าพระหันตรัศววกหรือเห็นแต่คนดีในสิ่งแวดล้อมที่ดีแปลว่าเราเกิดมาเป็นผู้มีบุญ แต่ถ้าว่าพวกเราเกิดมาในพบในชาติใดเกิดมาแล้วอยู่ในฝูงฝูงพาละชนเออเดี๋ยวก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดอันนั้นแปลว่าเกิดมาแล้วเป็นผู้มีบาปบาปติดตัวเพราะฉะนั้นการไม่พบคนผ่านหรือไม่เห็นภาละชนชเชลยเป็นดีเลิศแต่เราเออจะเป็นอย่างนั้นได้ มากน้อยยังไงแค่ไหนอันนี้ก็สูดแท้ตุแตหบุนกรรมบุญบา ร, รมีของเราถ้าเราสังสมบุญบา ร, รมีเราไหว้พระสวดมนต์ตั้งจิตอธิฐานขอจะได้พบคนผ่านจะได้พบพาลชนให้ครบแต่บัณฑิตนักปราชัให้ได้ครบแต่สิ่งที่ดีบางทีอาจจะสมหวังดังปรารถนาก็ได้แต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะพบคนพ่านเราก็พยายาม ดูอย่าให้ไปตามพาและชนของเขาพยายามให้เป็นตัวของตัวเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมศึกษาในคุณธรรมศีศมศมศมจลจริยธรรมจริยธรรมเข้ามาสู่จใใิตใจไม่ใช่ว่าเขาชักชวนไปทางไหน เ, เราก็เดินตามเขา เ, เราเขาชักชวนไปในทางที่ชั่วเราก็ตามเขา เ, เราชักชวนการพ น, นันเล่นการพนันก็ตามเขา เ, เราชัก เขาชักชวนไปขอรับชงขอรับฉันก็ตามเขาอันนี้เปลว่าตามคนผ่านถ้าตามคนผ่านหลังเดินตามหลังคนผ่านละชนแล้วพวกเราจะเข้าลักเข้าลกเข้าป่ า, าพวาัวน่าสุขเข้าคุกเข้าตลางหนักหนาขึ้นไปเรื่อยๆเพออราะอเพราะเราเดินตามภาละชนถ้าเราเดินตามบัณฑิตนักปราชญ์แล้วมีแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ขอฝากไว้กับคณะทัทธายญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านการกล่าวเรื่องคติธรรมแผ่นที่12ก็เห็นว่าส้มควรกับการเวลาขอยุติด้วยอำนาจขุนพศิรัตน์ตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมสมหวังดังปราถนาทุกท่านทุกคนด้วยเธิน